อุเบกขาจริงๆที่เป็นปัญญานะคือรู้แล้วว่ า, วามีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างจนรู้สึกว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยแม้เป็นความสุขความสุขเราอยากให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่สุขนานตามที่เราต้องการจริงๆสักทีเห็นจริงตามอย่างนี้ทุกอยากให้มันพ้นไปเร็วๆมันก็ไม่พ้นไปตามใจอยากสักทีเห็นอย่างนี้บ่อยๆจนวางใจเป็นกลางได้เรียกว่าวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่วางใจเป็นกลางแบบกด แบบบังคับแบบบีบเอาไว้นี่นะ